พระเกิดเป็นเปรตเพราะทำผิดวินัยในเยือนเดิมรกรากเขาอยู่ที่บ้านชีทวนภายหลังเขาก็มาตั้งหลักฐานอยู่ในเมืองวาเรนเป็นโยมอุปถัมากวัดป่าแสนสาราญเขาจะไปทอดกฐถิ่นวัดบ้านเขาเขาก็นิมนต์หลวงพ่อไปด้วยเวลาเดินทางไปทางมันก็ธุระกันดาลเป็นทางเกวียนกว่าจะไปถึงก็ตั้ง4ี่ห้าทุ่ม พอไปถึงก็อาบน้ําอาบท่าแล้วก็หลับนอนกันพอนอนไปตอนตีสีตื่นขึ้นมาความเหน็ดเหนื่อยมันก็ยังขี้เกียจอยู่ก็เลยไม่ลุกนอนกําหนด จ, จิตภาวนาไปพอจิตสว่างขึ้นมาจิตพุ่งไปสู่จุดจุดหนึ่งเป็นกุฏิเก่าๆร้างๆจะพังแหล่มิพังแหลมมองไปเห็นพระองค์หนึ่งสูงยืนจากพื้นเนี่ยโผล่หน้าออกมาจากช่องลม ช่องลมนั่นมันเป็นช่องเหนือฝาผนังให้ลมมันผ่านแล้วก็ตะโกนมาว่าพูมีบุญกรุณนาช่วยด้วยผมพระครูสีเป็นเปรตอยู่นี่นานแล้วก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาแล้วก็มานั่งกำหนดพิจารณาพระครูสีเป็นเปรตเพราะอะไรจิตมันก็บอกว่าท่านทำผิดวินัยสองข้อหนึ่ง น้อมลาบของสงไปเป็นประโยชน์ส่วนตน 2. น้อมลาบของสงไปเป็นประโยชน์ส่วนบุคคลสงไม่ได้อนุญาตให้ท่านแสดงอาบัติไม่ตกตายไปแล้วมาเกิดเป็นเปรตหมายเหตุน้อมลาบของสงไปเป็นประโยชน์ส่วนตนคือนําไปเป็นสมบัติของตัวเองน้อมลาบของสงไปเป็นประโยชน์ส่วนบุคคลคือนําไปให้ใครคนใดคนหนึ่ง มีทางแก้ไหมจิตเขาก็ถามต่อไปแล้วจิตหนึ่งก็ตอบว่ามีต้องประชุมสงฆอมติสงฆ์ให้สงอนุญาตและยกโทษให้ท่านถึงจะพ้นจากความเป็นเปรตพอตื่นเช้ามาพวกชาวบ้านเขาก็มาจังหันกันลองลองถามคนแก่อายุเจ็ดปดสิบดูว่าพระที่ชื่อพระครูสีเมื่อก่อนเนี่ยที่อยู่วัดนี้เมื่อก่อนเคยมีไหมเขาก็บอกว่ามี เป็นพระเถระที่มาจากเวียงจันท ร, ร์แล้วก็มาตั้งวัดนี้ขึ้นและมีปรากฏการอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าหลังจากที่ท่านมรณาพาไปแล้วเขาก็บอกว่าท่านยังเป็นเปรตอยู่กุฏินั่นเขาชี้ให้ดูแต่หลวงพ่อไปเดินสำรวจดูแล้วพอสว่างก็ไปเดินสำรวจดูแล้วรู้ได้ยังไงว่าท่านเป็นเ ป, นเปรตเขาบอกว่าเวลาไปเอาของในกุฏินั่นออกมาใช้พระไปเอานังสือใบลานมาอ่าน เอาพระมีดมาใช้ถ้าไม่รีบส่งปล่อยให้มืดท่านจะมาทวงทันทีถ้าหลวงพ่อไม่เชื่อพวกผมนิมนุ์พักอยู่นี่อีกสักคืนหนึ่งจะพาไปทดลองดูหลวงพ่อก็เลยบอกว่าโอ้ยอย่าไปทรมานท่านเลยเราพอมีทางที่จะช่วยเหลือท่านพอหลังจากทอดกะถิ่นแล้วระเนนก็มารวมกันหมด ก็เลยบปลารบว่าวกท่านเชื่อไหมว่าครูบาอาจารย์เราเนี่ยท่านยังอยู่ในกุติของท่านยังไม่ไปไหนโอ้ยเชื่อขอรับท่านเป็นเปรตอยู่นั่นยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดเลยเขาว่าหลวงพ่อก็แกล้งถามดูว่ารู้ได้ไงว่าท่านเป็นเปรตก็รู้ได้เวลาไปเอาของจากกุตินั้นมาใช้ถ้าส่งไม่ทันปล่อยให้มืดท่านจะมาทวงทันที ถ้าหลวงพ่อไม่เชื่อนิมนต์พักอยู่นี่อีกสักคืนจะพาไปทดลองดูหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเชื่อแล้วละไม่ต้องทดลองไม่ต้องทรมานท่านให้มันมากนักเรามีทางพอจะช่วยท่านหลวงพ่อจะทำยังไงก็เลยถามว่าพวกท่านรู้ไหมว่าครูบาอาจารย์เราเป็นเปรตเพราะอะไรไม่รู้ก็เลยบอกว่าท่านทาผิดวินัยสองข้อข้อหนึ่ง นอมลาบของสงไปเป็นประโยชน์ส่วนตนต้องอาบัตินิสักคียปาจิตตีข้อสองน้อมลาบของสงไปเป็นประโยชน์ส่วนบุคคลต้องอาบัติปาจิตตีสงไม่ได้อนุญาตให้ท่านแสดงอาบัติไม่ตกตายแล้วจึงมาเป็นเปรตอยู่นี่พระองค์หนึ่งถามขึ้นมาว่าทำอย่างไรจึงจะช่วยท่านได้มันมียากเรามาประชุมสงกันเดี๋ยวนี้เอา้าเราเริ่มได้ทันที ขอทรงทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าขอประกาศว่าครูบาอาจารย์ของเราทำผิดวินัยสองข้อข้อ1 น, น้อมลาบของสงไปเป็นประโยชน์ส่วนตนต้องอาบัตินิสักคียปาจิตตีข้อ2น้อมลาบของสงไปเป็นประโยชน์ส่วนบุคคลต้องอาบัติปาจิตตีทีนี้ท่านจะพ้นโทษได้หรือไม่ได้อยู่ที่มติของสงผมจึงขอมติจากท่านทั้งหลายว่าสมควรจะยกโทษให้ท่านไหม สมควรจะอนุญาตให้ท่านไหมถ้าหากท่านใดไม่เห็นสมควรก็ขอให้คัดค้านขึ้นถ้าเห็นสมควรแล้วก็จงสาธุขึ้นพร้อมกันดังๆสามครั้งพระทุกองก็สาธุสาธุสาธุพร้อมกันสามครั้งหลวงพ่อก็เลยประกาศบอกว่าพระครูสีเอ้ยท่านทำผิดวินัยที่ท่านทราบอยู่แล้ว บัดนี้คณะสงอโหสิกรรมให้แล้วยกโทษให้แล้วขอท่านจงพ้นจากบาปกรรมนั้นๆเถอะแล้วก็พาพระนั่งสมาธิยี่สิบนาทีบอกว่าใครมีคุณงามความดีมีบุญกุศลอันใดที่นึกว่าตนมีขอให้น้อมเอารวมกันแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้ท่านนั่งสมาธิอยู่20สบนาทีแล้วพระสงฆ์ยถาสัพพีญาติโยมก็กรวดน้าอุทิศพอเสร็จแล้วในคืนวันนั้นแหละ พระองค์นั้นก็ไปเอาอันนั้นมาอันนี้มาของที่ท่านเคยหวงนั่นแหละเอามาไว้กุฏิของตัวเองชาวบ้านก็เอาไปไว้ในบ้านก็ไม่ปรากฏว่าท่านตามไปทวงอย่างเคยเขาทดลองแล้วทดลองเล่าจนแน่ใจเขาก็แน่ใจว่าท่านไปเกิดแล้วกุฏิหลังนั้นเขาก็เลยรื้อหลงสร้างใหม่แล้ว ภายหลังมาก็ไปเล่าให้หลวงพ่อบุญชินวังโสฟังพอท่านฟังจบท่านก็เลยบอกว่าเจ้าก็เก่งกว่าอาจารย์สินเะนาะเมื่อก่อนนี้เขานิมนต์ท่านอาจารย์ใหญ่คืออาจารย์พรสุมโนกับผมเนี่ยไปนั่งภาวนาอยู่นั่นบุที่ส่วนกุศลให้มันอย่างใดมันก็ไม่ยอมรับก็เลยบอกว่าท่านอาจารย์ทําไม่ถูกมันจะไปแก้ได้อย่างไรอันเนี้ยมันเกี่ยวกับสมบัติของสง์ ต้องประชุมสงฆ์มันจึงจะแก้ตกอันนี้ไปนั่งอุทิศกุศลให้เฉยๆเนี่ยไม่มีทางท่านอาจารย์พอรอาจารย์บุญก็ไปที่เดียวกันนั่นแหละเขาให้ไปนอนอยู่ในกุฏินั้นด้วยเวลาไปนอนอยู่นั่นพอดับไฟลงปับ๊บเดินตุบตุตุตตขึ้นมามาก็เหมือนเหมือนมาเปิดตู้หนังสือแล้วก็คล้ายๆกับว่าแก้ผ้าห่อหนังสือออกผ้าห่อหนังสือใบลานเนี่ย เขาหอพันพันพันแล้วก็มัดเอาไว้พอจุดไฟขึ้นหายเงียบไปดับไฟลงเดินตุบตุบตุบขึ้นมาอีกแล้วมันก็มาแก้แต่หอหนังสือนั่นแหละอันเนี้ยเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องฝัน